จึงเผาหุ่นแทนในปี1553บลูโนถูกเผาทั้งเป็นในปี1600กาลิเลโอยอมสารภาพผิดได้รับการลดหย่อนโทษให้กักบริเวณอยู่แต่ในบ้านจนตายโดยตัดสินในปี1633ไม่ต้องพูดถึงคนทั่วไปที่ถูกลงโทษมากมายอย่างที่สเปน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 แม้กระทั่งมีการตามล่าและสังหารหญิงที่ถูกหาว่าเป็นแม่มดแต่บทเรียนแห่งความเจ็บช้ำในยุโรปทำให้ชาวอเมริกันพยายามวางมาตรการและตั้งกฎ ก, ฎ ก, ฎกติกาต่างๆที่จะให้มีเสรีภาพทางศาสนาขึ้นดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญอเมริกาเป็นต้นสารไตสวนศรัทธา ถูกยกเลิกหมดไปประมาณคศส8 3 4รวมเวลาที่ตั้งดำเนินการอยู่603ปีนอกจากห้ามหันบีทาคนนอกรีดนอกศาสนาและกำจัดกันระหว่างสองนิกายคือคาทอลิกกับโปรเตสแตนแล้วระหว่างคสศ1 0 9 6ถึง1270รวมเวลาเกือบ200ปีประเทศคริสตทั้งหลายในยุโรป ซึ่งเวลานั้นยังไม่เกิดนิกายโปรเสตสแตนต์ภายใต้การนำขององค์สันตประภาห่งวาติกันก็ได้จัดกําลังทัพยกไปทําสงครามกับชาวมุสลิมเพื่อแย่งชิงแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์คือเมืองเยรูซาเล็มกลับคืนมาเรียกกันว่าสงครามครูเสดซึ่งในที่สุดเยรูซาเล็มก็กลับเป็นของชาวมุสลิมตามเดิม